เมื่อเนี่ยลงพอผ้าคณะชัตท่าเนี่โยมลูกหลานออกมาใส่สลัดทางนอกพ่อมาออกมาทางนอกได้ยินเสียงนกเขานกเขามันขันแทบแทบเนี่ยมันอยู่ไก่ทงหน้าเลยสลันอกมันอยู่ไก่ทงหน้านกเขานี่ยจะชอบอยู่นทีลงลงย้อในป่าของเขานะวัดของเขานุบควายได้ยินอกเสียงนกเขามันขันพอเหตุใดเพราะว่ามันมีดแล้ว ม่เดียวไงเดียวนกเขานะขี่ยข้านเห็นนกเขานะเนี่ยเดียวตอนนั้นนะ่ยบินโชบ ป, ปั๊บโดดลงไปนกเขาเนะี่ไปวัดสูบอะไรเนะี่ยขนาดบินเร็วๆนะบินเร็วๆนะเนี่ยสูบนะเดียวอะไรเดียวเอเดียวนกเขาเนี่ยเขาบอกเดียวนกเขาคืเขาเป็นอริศตูกับนกเขาโดยตรงอย่างนั้นไหมนะเพรานกเขาจะออกมาอยู่ทางนอกอยู่ที่ทีลงๆเพื่อความปลอดภัยของมัน ปไหแล้วเฮาออกมาเฮาใจในยินเสียงนกเขามันขันโอ้มวนเด้ขันขันหลา ย, ลา ย, ลายตัวสมัยเป็นเน้นหน่อย <c oughs> พวกทหารเกณฑ์ยุบันนอกเด้เขาไปในเมืองไปหาไปเป็นทหารเกณฑ์วัน่ะไปนายทหารกณมันชอบนกเขาขันมัานกเขา เรี่งนกเขาเอาไปนกเขาขันนกเขาแข่งพอเห็นทหารเกณฑ์เข้าไปเลยเ อ, ยเอย้บ้านของมึงมีนกนกเขานกขันเสียงใหญ่มีไหมคนวทหารเกณฑ์นี่บอกว่ามีครับนวมั น, ม, นมันขันยังไงมันเสียงใหญ่ยังไงมันขันขีดที่พดเพพง ทหารเกณฑ์บอกว่าเราไปทั้งที่เจ้าทั้งที่เจ้าหน้าอยากเจ้าเหมือนเจ้าว่านกเขามันขันเสียงใหญ่ปนได้เอาเาไปบัตทหารเกณฑ์มันนกเสียงใหญ่ก็มีอยู่แล้วยามมันเคลื่อนมันห้องขี่ทือยพดเพึ่งมันะนกขี่ทีมันห้องเสียงใหญ่ได้เมืนบมดเลยหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อยังขำอยู่เลยเจ้าหน้าอยากได้นกนกเขาขันเสียงเสียงใหญ่เอาเราไปมันเป็นนั่นนะนกนกเขาจะได้ขันเสียงใหญ่เนี่ย มันมีราคาในสมัยก่อน <c oughs> ก็เลยถามทหารเกณฑ์ทหารเกณฑ์ว่ตอบตอบนกีีธีบ่เนี่ยคนละแนวกันวันนี้ไปเข้าใจคนละแนว <c oughs> โอ้มันในมีพระทั้งหมดยี่สิบเจ็ดรูปลงมาฉันยี่สิบสามงดฉัน4ีวันนี้เป็นวันที่สิบสี่ พฤธจิกายนพุทธศักราช2557วันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน12เดือน12แรม8ค่ำวันนี้เป็นวันพระแต่วันนี้หลวงพ่อได้ให้พระออกมาจัดศาล า, าฉันชล า, าข้างนอก เพราะว่าทดลองทดสอบดูวันที่สิบหกวันนี้เป็นวันที่วันที่สิบสี่วันที่สิบคณะนายช่างจะเข้ามาดูศาลาข้างในเขาจะต่อเติมต่อปีกศาลาของเราที่เราใช้ข้างในเพราะหลวงพ่ออนุญาตให้ต่อเติมปีกศาลาเพราะว่า หลวงพ่อคงจะขึ้นสล า, าชั้นบนไม่ไหวต่อไปเพราะปีนี้หลวงพ่ออายุเจ็ดสิบแล้วลูกหลานพอหลวงพ่อนับดูบันไดที่ขึ้นทุกเช้าขึ้นสล า, าชั้นบนทั้งหมดมีส5ห้าสิบห้าขั้นสลาของเราสูงพอสมควรอยู่นะสิบห้าขั้น ต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อคิดว่าคงจะขึ้นไม่ไหวจึงให้คณะนายช่างมาทำต่อเติมต่อปีกศาลาชั้นลา่างถ้าหากว่าเราเอาอย่างเก่าพี่น้องประชาชนมาวันพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าฝนพี่น้องจะนั่งที่ไหนเพราะนั้นจำเป็นจะต้องต่อเติมศาลา ชั้นล่างออกไปอีกต่อปีกแต่พื้นก็มีอยู่แล้วและแต่เราคงจะทำพื้นเสริมเข้าไปอีกหน่อยนึงวันที่1ิบวันที่ส6ที่จะถึงนะในช่างจะเข้ามาเพราะนั้นพวกเราก็ควรจะเตรียมออกมาชั้นข้างนอกและต่อไปในช่วงที่ในช่างต่อเติมศาลาพวกเราก็คงจะออกมาชั้นอาหารข้างนอกจากช่วงระยะหนึ่ง ครจนกว่าศาลาจะเสร็จเรียบร้อยพวกเราคงจึงจะเข้าไปฉันข้างในตามปกตินะ ว, วันนี้เป็นวันพระแต่ถึงยังไงก็ขอบอกกับพวกเราคณะศรัทธาญาติโยมอย่าได้ชะล่าใจหรือจะได้นอนใจอย่าได้ประมาท สรุปแล้วคําว่าประมาทคํานี้นะ่ะ <c oughs> คือความนอนใจช้าใจไม่แยแสไม่ตั้งใจใน ห, หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาด้วยอย่าประมาทคํานี้มันกว้างขวางคะแต่บางคนเขาว่าปราหมาทคํานี้ค่อยๆประหมาดดูถูกเหยียดยามคนอื่นเขาอันนั้นก็คือประมาดอันนี้ประมาทให้เข้าอย่าตั้งอยู่ในความ ลืมตัวให้รู้เท่ารู้เท่ารู้ทันรู้รอบขอบชิดกับตัวเองฮะอันนี้ในหลักธรรมเพราะนั้นคําว่าอย่าประมาทคำนี้ก็คือเมื่อวันถึงวันพระวันพร ะ, ว, พระวันปฏิบัติธรรมของพวกเราก็ให้สำนึกไว้อยู่ในใจว่าถึงยังไงเราจะมีธุระการงานมากมายถึงขนาดไหน แต่วันพระ8ดค่า15บห้าค่ำเร า, เาก็ควรจะเข้าสู่วัดวาศาสนาเหมือนกับศาสนาอื่นของเขาเนี่ยทุกวันอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นหรือศาสนาอิสลามอย่างนี้ก็ทุกเขาวางดูสเขาขยันกว่าเราเยอะนะแต่พุทธศาสนาขนาด8 15, คำ่ำส15้าค่าพวกเรายังปล่อยปะละลเลยอันนี้ก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะ นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเจดวัน เ, เข้ามาสู่วัดวาศาสนาครั้งหนึ่งถ้าเราห่างเหินเกินไปใช่หลักธรรมพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงเราทำณสถานที่ใดอยู่เวลาใดอยู่ณนะมุมโลกไหนก็คือคุณงามความดีทำอยู่ในที่รับที่แยกอยู่ในที่มืด อยู่ในตัวของเราเองก็คือคุณงามความดีมาทำที่วัดวาศาสนาก็คือคุณงามความดีไปทำคนเดียวก็คือคุณงามความดีอา้าวเราไม่จำเป็นจะต้องไปทำกับวัดวาศาสนาที่ไหนเราทำคนเดียวสิเราคุณมม่อคุณงามความดีเหมือนกันอันนี้ถ้าเราคิดในมุมหนึ่งมันก็ใช่ไม่ผิดนะแต่คิดในมุมให้กว้างขวางออกไปต่างคนต่าง ประกอบคุณงามความดีไม่ยอมไปหาใครเลยต่อไปก็ล่อยหลอไปเรื่อยๆเพราะกิเลสฝ่ายต่าน่ะมันจะเข้ามาครองใจของเราเมื่อคลองใจของเราเสร็จแล้วก็ครองการกระทาของเราแล้วก็ครองความพูดของเราพลในที่สุดเราก็เลยหมดในโลกนะั้นไม่มีอะไรที่จำเป็นสำคัญขึ้นมาเพราะอะไรเพราะกิเลสเข้าไปครอบงํา วันนั้นอย่างวันพระอย่างนี้พวกเราเคเข้ามาสู่วัดวาศาสนามาก็เอาเห็นกันในศึกษาปารบกันท ร, รมัศทำมชากัดฉามีอะไรก็พูดคุยกันในบรรดาพุทธบริษัท ต, ตลอดถึงพระสงฆ์ดังหลวงพ่อพอเข้ามาหลวงพ่อก็จะแสดงความคิดเห็นให้กับคณะศรัทธาญาติโยมพอหลวงพ่อใฝ่ในการศึกษาเรียนรู้ เรื่องวิชาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านประกาศ8 000, 000, ปดหมสพันพระธรรมนั้นมาขันนั้นวันนี้จะเอาอะไรมาพูดให้คณะสัตา ย, ยายาจุยมกลุ่มของเราฟังพุธบริษัทของเราได้ฟังเราจะเอาเรื่องอะไรมาพูดอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นพวกเรามาก็จะได้ยินามาคราวนี้ก็ได้ยินเรื่องนึงมาคราวต่อไปก็ได้ได้ยินเรื่องหนึ่ง แต่แต่ละเรื่องเนี่ยขอบางทีก็อาจจะสับซ้ําซ้อนกันหรือว่าซ้ํากันก็ได้แต่คงจะไม่ซ้ําทุกคำํำคงจะเหลื่อมล้ํากันเพราะว่าการแสดงความคิดเห็นหรือว่าแนะแนวในความรู้ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเพื่อจะให้พวกเรารู้กว้างขวางอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่าน จากปรินิาพานพระพุทธองค์ท่านก็นตรัสว่า เ, าเมื่อพยามาอรอาราธนาพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็บอกว่าเราประกาศพระศาสนามาเป็นเวลาถึง45พระพัรษาที่เราแสดงออกไปวาท่ออกไปไปว่าเพียงพอใครจะมาถามาในบรรดาศิษย์ของเราที่เราได้ประกาศออกไปทุก เลทุกเหลี่ยมทุกแง่ทุกมุมเอถึงศาสนาไหนจะมาถามเออคนในศาสนาของเราศาสนาพุทธของเราพระสงฆ์ทั้งหลายสิทธิอนุสิท์ทั้งหลายของเราก็พร้อมที่จะโต้วาทะเขาได้ทกรูปแบบนะนะพระพุทธองค์ก่อนที่ท่านจะพรินิพพานนะท่านมองจุดนี้อีกจุดหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนา เข้ามาแล้วก็จะมากราบพระพุทธรูปก็จะมานั่งอยู่เฉยเฉยเท่านั้นก็ยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากพระสงฆ์ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยแต่หลงพ่อก็บางครั้งหลวงพ่อก็ไม่ใช่อยากจะพูดนะคณะสัทยาญาติโยมโลูกหลานบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันแต่หลวงพ่อก็คิดว่าเนี่ยหลวงพ่อเองเป็นอยู่ด้วยปัจจัยสีของชาวบ้านของคณะรัตาญาติโยมโลูกหลาน ในเมื่อเร า, เาได้ปัจจัยสีแล้วว่าการเป็นอยู่ของเราเรามีอะไรมีอะไรที่จะต้องแบ่งปันจะต้องแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนที่ผู้ที่มาเกี่ยวข้องกัเออเอาพูดให้ฟัง เ, เพื่อประดับจิตปัญญาความรู้สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดหลายแง่หลายมุมหลายชั้นหลายเชิงหลายแนวความคิด เนี่ยแหะอันนี้ก็คือความคิดในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะนี่แต่มีคนพูดขึ้นมาอ่าในครั้งกนะ่อนน่ะเพียงคนเดียวนะียังสะเทือนสะทานไปทั้งทั่วโลกจนถึงชั้นสวรรค์ด้วยอ่เพียงคําพูดคําเดียวสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราเสด็จประทับอยู่ที่กรุง ราชคือนะท่านปารบเกี่ยวกับมงคลนะมงคลอันไหนที่เป็นมงคลของมนุษย์นะมีคนหนึ่งเขามีงานเทศการนะ่งานปีใหม่เนะี่ยคนเต็มไปมากแต่บุรุษคนนั้นกล่าวขึ้นในที่ที่ชุมชนที่ประชุมนะนะั้น่ะขอความเป็นสิริมงคลจงเกิดกับข้าพเจ้าตลอดไปนะ ขอความเป็นสิริมงคลจงเกิดกับข้าพเจ้าตลอดไปพอพูดอันนั้นคนนั้นก็หลงาหายหายไปไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดนะคนได้ยินก็นเอ๊ะคำว่าสิริมงคลเป็นคำพูดที่ถูกต้องว่ะเล่ากับเป็นสิริมงคลสำหรับตนตลอดไปก็ถูกต้องอีกเหมือนกันขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิริมงคล ในชีวิตของข้าพเจ้าตลอดไปอันนี้เป็นคําพูดที่อฟังดูแล้วถูกต้องก็มาถกเถียงกันอันไหนเป็นมงคลฮะอาถามกันในชุมชนเอถกเถียงกันอันไหนเป็นเป็นมงคลคนหนึ่งว่าได้เห็นรูปสวยๆงามๆตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นสิ่งที่เจริญตาสวยงามอันนั้นแหละเป็นมงคล คนหนึ่งเขาบอกไม่น่าจะใช่เพราะเหตุว่าตื่นขึ้นมาบางทีก็เห็นเขาหน้าบูดหน้าเปี้ยวใส่ทาเห็นเขาเบี้ยวปากใส่บ้างเอเห็นเขาแสดงอากับกิริยากับเราก็ไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาเราจะเห็นแต่มงคลมันก็เห็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาไม่คําว่าเห็นคํานี้นะมันไม่น่าจะถูกต้องนะก็เลยก็มาไล่กั น, นจนถึงเขาว่าได้ยินบ้าง ได้สัมผัสปั้งอะไรต่อมีอะไรผลที่สุดไม่มีใครที่จะตัดสินใจได้ผลที่สุดเทวดาอีกได้ยินอีกเนีเทวดาได้ยินมนุษย์โกลาหลนที่ถกเถียงกันอีกเทวดาภูมิเทวดาอย่างที่หลวงพ่อพูดอย่างเนี่ยภูมิภูมิเทวดาสิงสถิตอยู่เนยแกเอ๊ะคำว่าเป็นมงคลคืออะไรเนี่ยเทวดาก็สงสัยอีกเหมือนกันไปถามกันเองเนี่ย จนถามกันจนถึงอากาศเทวดาจนชั้นจาตุมดายามาตุสิตาดาวดึงยามาขึ้นไปเรื่อยจนถึงผ่มก็ไม่มีใครที่จะแก้ได้คราำว่าสิริมงคลกับตนเองนะั้นคืออะไรนะพระนิสุกก็ได้พระอินได้ยินอีกเหมือนกันโอ้ไม่ได้นอกจากพระพุทธยาวนะพระพุทธยาก็เด็เสดลงมาลงมา พระอินทร์เสด็จลงมากับพร้อมกับเท ว, วดาเป็นหมื่นจักรวาล น, น, นะเนี่ยเพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่คาใจของเท ว, วดาคำว่ามุชดิมงคลกับตนเองนั่นคืออะไรนะเนี่ยจะนัา้นมาถามพระพุทธเจ้าในเวลาเที่ยงคืนเนี่ยพระองค์ก็เฉลยปัญหาที่เท ว, วดาถามเท ว, วดาเหล่านั้นก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลมากที่สุดในในครั้งคราวนั้นที่พระองค์สแสดงเรื่อง มงคลนะแต่พระองค์ก็บอกว่าที่เราแสดงมงคลขืนที่ผ่านมาเนี่ยนะยังไม่เป็นหน้าอัจรย์นะในอดีตชาติของเราเนะี่ยเราเป็นเศษเราเป็นลือีอยู่ในป่าเขาถามกันเรื่องมงคลเนะี่ยเราก็ได้อธิบายให้เขาฟังในชาตินะั้นคนทั้งหลายเข้าใจในมงคลของเราในคราวนั้นนะมากทีเดียวจนถึงเท ว, วดานะ ข่าวนั้นนะเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นแทนเพียงเสวยชาติเป็นลือศรีเราก็ยังมีความฉลาดอตอบปัญหาเรื่องมงคลให้กับพวกคู่คนทั้งหลายในยุคสมัยนั้นตอนนี้พระสงฆ์ทั้งหลายกระราบทูลถามว่าสมัยนะั้นพระองค์ได้ตรัสเรื่องอะไรหนอไปเจ้าข่าสมัยปืนลือศรีพระองค์บอกว่าฟัง แต่พระองค์ก็ได้แสดงมงคลแปดนะมงคล8ประการแต่แตกต่างนะหลวงพ่อได้ฟังฟังดูแล้วแตกต่างกว่าที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังดีกว่าสมัยเป็นโพธิสัตว์พระพุทธองค์ยกอะไรขึ้นก่อนคือพระพุทธองค์ยกสมัยนั้นยกเรื่องเมตตาขึ้นก่อน พวกเราอยู่ด้วยกันต้องมีเมตตาถ้าหากว่าบุคคลที่อยู่ด้วยกันที่มีเมตตาต่อกันมีความเอื้อเฟื้อต่อกันรู้จักเขารู้จักเราอย่าเบียดบังอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขในสมัยนั้นนะจากนั้นท่านก็บอกว่าให้รู้จักสัมมาคารวะให้รู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักสิ่งควรไม่ควร เราอยู่ในสถานะไหนให้รู้จักในสถานะของตอนเองเนี่ยแตท่านก็นไล่ไปอย่างนี่สรุปแล้วก็คือมงคลแปดในสมัยนั้นนะแต่พอมาถึงที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรูรพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่เทวดา ท, ที่พระอินทมาถามพร้อมกับเทวดาในคืนวันนั้นที่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารพระพุองค์ได้ตรัสว่า มงคล38ประกาศขึ้นต้นว่าไอเซวานาจะบาลานังบัณริตานั่นจะเซวานาปูชาจะปูชนียานังอันนี้คือพระพุทธองค์ยกบุคคลนะแต่สมัยเป็นฤาษีนันท่านยกคุณธรรมคือเมตตาขึ้นมาเป็นหลักแต่มาในครั้งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เนี่ยท่านยกยกบุคคลไอเซวานาจะพาลานัง อย่าไปครบขนผ่านให้ครบบัณฑิตสรุปแล้วให้ครบคนดีให้ครบบัณฑิตอย่าไปครบคนผ่านอเซวนาจะพาลานังบัณฑิตา น, านจะเสวนาให้ครบบัณฑิตปูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนะนี่แหละพระพอก็ไล่เป็นข้ อ, ข, อ, ข, อข้อไปจนถึงมงคล38นะเพราะฉะนั้นให้พวกเราศึกษานะูว่ามงคล38ประการนั้นมีอะไรบ้างนะ จนถึงทำจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสในที่สุดในมงคลของพระพุทธเจ้าพอเทวดาที่พระอินที่เป็นผิวผู้พานำมาให้เทวบุตรเป็นคนทูลถามเทวดาทั้งหลายเมื่อได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลมากในมงคลลสูตรนี้นะเพราะให้พวกเราศึกษา แต่ในครั้งพุทธการในครั้งก่อนที่เป็นชาดก ท, ที่พระพุทธองค์เสวยประชาดอยู่นั่นท่านยกเรื่องเมตตาขึ้นมาก่อนคนที่มีเมตตาต่อกันโลกทั้งโลกที่มีเมตตาต่อกันมีแต่ความสงบผ่มเย็นเป็นสุขสรุปแล้วก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าคิดดีทดําดีพูดดใออีให้คิดกันในทางคิดในทางที่ดี ทำก็ในทำไปในทางที่ถูกต้องทำสัมมาทิฏฐิพูดก็เป็นให้เป็นสัมมาทิฏฐิอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะี่แหละในหลักธรรมคำสอนพุทธองค์ที่ท่านได้ตรัสเอาไว้แต่สรุปแล้วก็คือศีลและธรรมของพรนะพุทธเจ้าเนี่ยหลวงพ่อมาดูๆูวิเคราะห์ดูแล้วนะเนี่ยศีลเพียงศีลห้าของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองนะอีข้อที่หนึ่ง อยาคิดฆ่ากันนะคำว่าอย่าคิดฆ่ากันเท่านี้แหละถ้าเปรียบเทียบกับกฎหมายบ้านเมืองแล้วโอ้โหควบคุมไม่รู้ว่ากี่กี่ร้อยมาตราคิดว่าอนไะคิดว่าอย่าฆ่ากันนะเพียง เ, เพียงสินข้อที่หนึ่งเท่านั้นนะมันควบคุมไปทั้งหลายร้อยมาตราคาว่าฆ่าสัตวนะ์แต่ กฎหมายนะั้นยังมีว่าค่าสัตว์ที่เขาเลี้ยงค่าสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมายค่าสัตว์สงวนห่วงแหนค่าสัตว์ทีเ่เป็นอยู่ในปา่าสงวนค่าสัตว์ในป่าอนุรักษ์อะไรมันมีเยอะแยะไปกฎหมายของเขามาตราไหนมาตราไหนนะีแต่พระพุทธเจ้าห้ามเลยว่าอย่าฆ่าสัตว์เนี่ยถึงจะอยู่ในที่ไหนก็ตามการฆ่ากาันไม่ดีทั้งนั้นให้คิดดูว่าเขาเรา เราเราก็กลัวตายคนอื่นเขาก็กลัวตายในเมื่อไปฆ่าเขาล่ะเขามขีความรู้สึกยังไงในเมื่อเขามาฆ่าเราล่เรามีความรู้สึกอย่างไรนี่ในสินข้อที่หนึ่งควบ ค, คุมตั้งหลายร้อยมาตราทีเดียวนะถ้าเราวิเคราะห์ออกมาแล้วอาทินนาทานก็เหมือนกันควบคุมหลายร้อยมาตราอีกเหมือนกันกาเมสุมิจฉาจาร์ก็เหมือนกันควบคุมหลายร้อยมาตราเหมือนกันเออมุสาก็เหมือนกันต้มตุนหลอกดวงคนอื่นเขา เพียงคำเดียวนั่นนะ่ะควบคุมตั้งหลายร้อยมาตราของกฎหมายในโลกนี้แต่ข้อสุดท้ายเนะี่ยสุราเมรยะเนะี่ยอันนั้นควบคุมทุกมาตราของโลกถ้าว่าคนดีๆอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนะมีสติสัมปชัญญะจะไม่กล้าทำในสิ่งที่ในเรื่องที่ที่ทํามันเร็วๆหรือสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแต่ปอกินเหล้าเข้าไปเท่านั้นมันขาดสติ พอขาดสติแล้วมันทำได้น่แหละคนดีๆน่นก็ทำได้เพราะเ ห, หอะไรเพราะว่าขาดสติเพราะความมึนเมาในเสพยายาเสพติดเหล่านั้นทั้งสุราคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอะไรอย่างที่โรคๆเขาใช้กันพอดื่มเสพเข้าไปแล้วขาดสติเนี่พอขาดสติแล้วทำความชั่วได้ทุกอย่างฮะนี่แหละ ข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อที่ครอบจักรวาลข้อที่หนึ่งที่สที่สที่สไปว่าอยู่ในข้อที่ห้านี้รวมกันมาอยู่จุดนี้นะเพราะคนขาดติคําว่าขาดจิตคํานี่นะมันทําความชั่วช้าเสียหายได้ทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นสินของพระพุทธเจ้าหรือว่ากฎเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจนะ้าเนี่ยถ้าเรามาวิเคราะห์นํามาพิจารณาการกรองไตรตรองด้วยเหตุแ ล, ผ ล, และผลแล้วนะ เป็นสวากขาตธรรมสรุปแล้วตรัสไว้ชอบนะพระนั่งคอให้พวกเราคณะสัทยาญาิโยมทุกทุกท่านนะสรุปแล้วก็คือเอา่งคนเข้ามาสู่จิตใจของตนเองเราจะเปรียบเทียบในชานของพระพุทธเจ้าก็ถูกต้องคนเราอยู่ด้วยกันต้องมีเมตตาต้องรู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักสิ่งควรไม่ควร รู้จักสัมมาคารวะในการอยู่ด้วยกันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นมงคลถึง8ปประการแต่หลวงพ่อก็คงจะไม่บรรยายทุกข้อนะอันนี้คือหัวข้อหลักแต่หัวข้อที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ที่ท่านแสดงที่วัดป่าเชตะวันที่พระอินทร์พร้อมกับเทวดามาเข้ามากราบในคืนวันนั้นพระองค์ก็บอกว่า ยกประเด็นขึ้นมาเลยเขาถามว่ามงคลและมงคลน่ยสิ่งที่เป็นมงคลกับตนเองเน่ยเป็นสิริเป็นมงคลกับตนเองเคืออะไรหนอพระเจ้าค่ะทิฏมนุษย์และเทวดาทั้งหลายสงสัยเนี่ยพระองค์จะพอแจ้งได้ได้เพราะว่าในอดีตชาติเราก็เคยแจ้งมาแล้วแต่ทีนี้ตั้งใจฟังเราเราจะแสดงแจ้งให้ฟังท่านก็ยกประเด็นหลักขึ้นมาเลย อะเสวนาะจาบาลานังบัณฑิตานั่นจะเสวนาะให้ข้าว่าอย่าไปคบคนผ่านให้คบตบัณฑิตนะอันนี้ถ้าหากว่าเรามาย่นเข้ามาเองนะเราใช้สติใช้ปัญญาของเรานะในตัวของเราในใจของเรากำมันมีในคนเดียวในใจของเรานะี่มีบัณฑิตด้วยมีผานมีผ่านด้วยนะไอ้ความชั่วกับความดีมันอยู่ในใจของเราถ้าช่วงไหนเรา ชั่วนะโมโหโกธาอยากจะทําความชั่วมันมีมากนะควาความชั่วอันนั้นแหละเป็นผ่านใจของเราออกไปทางผ่านผานลาชนนะแต่ทางจิตใจในช่วงไห น, นอยากจะไหว้พระสวดมนต์อยากจะภาวนาอยากจะไปเคารพพ่อแม่ เ, เกือ้อแสดงความเคารพสักการะสิ่งที่เป็นมงคลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระสวดมนต์อันนั้นไปว่าบัณฑิตให้ครบให้ครบบัณฑิตอย่างนั้นถ้าครบบัณฑิตอย่างนั้นมีแต่ความเจริญนะถ้าคบเป็นภาลชนในใจของเราถ้ามันอยากจะกินเหล้าก็กินอยากจะเล่นไฮโลอยากจะทำความชั่วช้าเสียหายมากมายเราก็ไปทําตามมันไปว่าเราครบคนผ่านใจของเราเป็นผ่านนะให้เราแยกตัวของเราด้วยนะ ไม่ใช่ว่าตัวของเราจะเป็นบัณฑิตอย่างเดียวก็ไม่ใช่จะเป็นภพลชลที่เดียวก็ไม่ใช่มันอยู่ในจิตใจของเราให้เลือกครบที่อันไหนที่เป็นบัณฑิตอันไหนที่เป็นนักปราชญ์นะอันที่เป็นปราชญ์ก็คือศีลธรรมถ้าพวกเรามีศีลธรรมในจิตใจนั่นแหะใจของเราเนี่ยเป็นปราชญ์ละช่วงนั้นนะถ้าใจของเราไปในทางกิเลสโลภโกรธหลง่ะไปทางชั่วช้าเสียหายอันนั้นใจของเราเป็นภพลชน ให้พวกเราเลือกครบนะถ้าเลือกเลือกคบแต่บันฑิตนักปาราชญ์พิจความเจริญโดยส่วนเดียวนะถ้าไปคบกับพาระชนแล้วพาระชนพาถล่มไปในทางชั่วนะกว่าจะรู้ได้ที่ไหนได้นะ่ไปอยู่ที่ไหนคุกตารางที่ไหนก็ไม่รู้นะอะไรทนเเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกทุกนะท่านนะคณะจัทตารญาติโยมลูกหลานทุกคนอย่างที่หลวงพ่อได้พูด เ, เบื้องต้นว่าเนี่ยเข้ามาสู่วัดวาศาสนา มาเข้ามาสู่วัดอย่างมาวัดหลวงพอ่อหลวงพ่อจะแสดงความคิดเห็นให้ฟังอย่างที่พวกเราได้ยินได้ฟังในวันนี้ล่ะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปคิดดูซิถูกต้องไหมได้เมื่อคิดเอาไปนําไปพิจนารณาถูกต้องแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขการกระทําข่องไหลของเรากายว า, ายใจใจของเราเราจะมีแต่ความสุขความสบายใจตลอดไปนะ การพูดกล่าวในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาตอนนี้ไปตั้งใจรับพร